เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่อาจามีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นสติปัญญาความรู้ความสามารถชีวิตความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอเพราะได้รับการหล่อหลอมมาต่างกันและต่างก็มีวิบากกรรมเป็นของตนคือมีบุญและบาปปรุงแต่ง ในเราเป็นไปต่างๆนาน า, นาเราจะเข้าใจเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งความรู้ชนิดนี้นะเป็นความจริงและเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กำลังรอคอยพวกเราผู้มีบุญให้มาพิสูจน์กันขอเพียงหยุดใจให้ได้เมื่อหยุดใจได้ ได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราจะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริงฉะนั้นถ้าอยากรู้เห็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอยากพ้นทุกข์ก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิวาทนมูลสูตรความว่า ดูกาบิกษุทั้งหลายภิกษุใดไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่ทำให้บริบูรณ์ในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาภิกษุนั้นย่อมวิวาทกับสงฆ์วิวาทาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพือความสุขก่ชนเป็นอันมากแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่คนทั่วไปหลงยึดถือจนทำให้เกิดทิฐิมานะนั้นมีหลายอย่างเช่นชาติระกูลทรัพสมบัติรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถยศตำแหน่งและพวกพ้องบริวารมอเกิดความหลงทนงตนในสิ่งเหล่านี้ ความถือตัวจัดย่ำเกิดขึ้นสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นเก่งกว่าผู้อื่นเมื่อถูกแนะนำตักเตือนจะไม่ยอมรับฟังนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากการมีทิฏฐิมานะถือตัวจัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนตุ่มน้าที่ผิดฝาแม้ฝนจะตกทั่วท้องฟ้า ก็ไม่สามารถไหลลงต่มน้ำได้บุคคลผู้ ม, มากไปด้วยทิฏฐิมานะจะไม่สามารถกรองรับคุณธรรมความดีได้แม้ความรู้มากมายที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้แนะนาพร่มสอนก็ไม่สามารถเข้ามาในใจได้เพราะใจนั้นถูกปิดกั้นด้วยทิฏฐิมานะ ฉะนั้นน่ะใครที่เป็นเช่นนี้ให้รีบแก้ไขทำลายขายคือทิฏฐิมา น, นะออกจากใจให้ได้เสมือนเปิดฝาตุ่มน้ำเอาไว้และความรู้คุณธรรมความดีงามสิริมงคลต่างๆก็จะไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเหมือนดังเรื่องของภิกษุห้าร้อยลูกที่เคยมีทิฏฐิมนนะ ตีตอนเสมอพระพุทธองค์แต่ก็กลับตัวกลับใจเสียใหม่ทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีพรามห้าร้อยคนได้พร้อมใจกันออกบวชมาบวชแล้วด้วยความเป็นผู้่อใฝ่รู้จึงเล่าเรียนศึกษาพระไตยปิ ด, ดก จนแตกฉานกันทุกรูปต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติไอ้เกิดผลเป็นปฏิเวททาให้เกิดหลงตัวว่ารับลมศาสดาสมีความรู้แตกฉานในพระตายบิดดกพวกเราก็มีความรู้แตกฉานและเชี่ยวชานใครจะถามอะไรสงสัยอะไรพวกเราก็สามารถตอบได้แก้ข้อสงสัยได้ทันที โดยไม่ต้องไปทบทวนความรู้อีกทำให้เกิดทิฏฐิมันนะทนงตนว่าการเข้าเฝ้าพุทธองค์น่ะไม่เป็นสิ่งจำเป็นอีกต่อไปรับรองศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้กำลังเมาในปริยัตหลงตัวเอ ง, ท, งทั้งทั้งที่ยังเป็นปุ้ติชนอยู่จึงทรงแสดงมูลปริยายโสตร ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดลึกซึ้งมากมาทรงแสดงจบเิกสุทั้ง500รูปไม่มีรูปไหนเข้าใจเลยที่ไม่เข้าใจเพราะยากเกินภูมิปัญญาของตัวเองทำให้จากที่เคยทะนงตนว่าได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิดกกันมาอย่างดีแล้วมะได้ฟังพระสูตรนี้เข้า ตกรูปต่างก็ฟังไม่รู้เรื่องกันสักรูปเดียวความรู้สึกตีเสมอก็ได้หายไปทันทีและเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธคุณคิดว่าใครใครก็มีปัญญาใบเทียมเท่าพระพุทธองค์นับตั้งแต่นั้นมาพิกโซทั้งห้าร้อยูปต่างก็สงบสงี่ยมเทียมตัวเหมือนงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยว พระบรมศาสดาสเสด็จไปกรุงเวสาลีและวเด็ดตดัดโคตมกะสูตรติโคตมกะเจดีภิกษุกลุ่มนี้จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์มาสดกลับมาที่อกกาธานีอีกครั้งพระภิกษุก็ได้จับกลุ่มสนานนธรรมกันโดยพูดถึงพุทธานุภาพว่าน่าอัศจ ร, รย์จริงๆ แม้แต่ภิกษุทั้งห้าร้อยลูกที่มากโดยทิธฐิถือตัวจัดพระโตงกงยังทรงสามารถสั่งสอนได้ขณะที่พระภิกษุกำลังสนทนากันอย่างออกรถนั้นพระโตงก็ได้เสด็จมาที่โรงธรรมและตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่พระภิกษุกราบทูลนิ้ทราบจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งห้าร้อยรูปนี้มีความทนงตนวดดีไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติที่ผ่า น, านมาก็มีความประพฤติอย่างนี้แต่ต ถ, า, ถาคตก็สามารถปราบให้หมดพยศได้พอแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องแนวดีตให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ในครั้งอดีต ก, การพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ที่เมืองพาราณสีพระบริษัตว์ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ไปเจริญวัยก็ได้เล่าเรียนจนจบไตรเพศได้เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกนำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปสอนมานบห้าร้อยคนพวกมานบทั้งห้าร้อยคน เล่าเรียนจนรจบตรายเพศแล้วตาง ก, ก็มีความคิดว่าอาจารย์ของเราเล่าเรียนจักคำพีตรายเพศพวกเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากท่านทั้งหมดแล้วแสดงว่าอาจารย์กับพวกเราก็มีความรู้เท่าเทียมกันฉะนั้นอาจารย์กับเราก็ไม่เด็ดต่างกันตรงไหนจึงเกิดทนงถือตัว ไม่ยอมเข้าไปหาอาจารย์ไม่เข้าไปปฏิบัติรับใชยอาจารย์เหมือนอย่างเคยทำวันหนึ่งพวกมานบแต่ในอาจารย์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นพุธาก็คิดจะตีเสมอท่านโดยเดินไปที่ตนพุธาแล้วเล็บเคาะลำต้นจากนั้นก็พูดว่าตนไม้นี้ไม่มีแกนอาจารย์รู้ว่าลูกเสร็์ กำลังพูดดูมิ่นคิดตีเสมอท่านยังพูดว่าฉันอยากถามปัญหาพวกเธอสักข้อหนึ่งมอมนบพอได้ฟังเท่านั้นก็นึกกระยิมได้แย้งกันกล่าวท้าทายว่าขอท่านอาจารย์ยังถามมาเถิดผมกับผมจะตอบให้ฟังอาจารย์ได้ถามปัญหาว่าการย่อมกินสัตว์ทั้งปวงกับทั้งตัวเองด้วยผู้ใดกินการ เพราะนั้นเผาตัณหาที่เผาสัตว์ได้แล้วคาถานี้หมายความว่าอย่างไรพวกมนบทั้งห้าร้อคนพอได้ฟังปัญหาแล้วต่างก็ไม่มีใครตอบได้สะคนเดียวว่าอาจารย์เห็นลูกศิษย์ตอบไม่ได้จึงพูดว่าพวกเธอจะคิดว่าความรู้จะมีเฉพาะในกำพีไตรเพศอย่างเดียวเท่านั้น พวกเธอมัวทนงตนว่าอาจารย์รู้สิ่งใดพวกเราก็มีความรู้อย่างนั้นเหมือนกันหมดจึงได้เปรียบใช้กันต้นบุ ษ, ษาพวกเธอเคยคิดกันบ้างไหมสิ่งที่พวกเธอยังไม่รู้นะ่ะไม่ได้ศึกษายังมีอยู่อีกมากแต่พวกเธอตอบปัญหาที่ฉันถามยังไม่ได้ก็จงนำกลับไปขบคิดพิจารณาให้ดี และในวันที่เจ็ค่อยมาตอบอาจารย์ฟังเมื่อมนบกลับถึงที่พักแล้วก็ได้ชวนกันคบคิดหาคำตอบแต่ถึงแม้จะคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกพ อ, อกถึงวันที่เจ็ได้ชักชวนกันกลับไปหาอาจารย์อย่างสงบสงเงียมได้ว่าอาจารย์อย่างที่เคยทาเมื่อทุกคนมาพร้อมกันอาจารย์ยึงถามว่าพวกเธอเจอคำตอบ ถึงปัญหาที่ฉันถามแล้วหรือยังก็ได้รับคาตอบว่าพวกกับผมได้ช่วยกันคบคิดพิจารณาแล้วก็ยังไม่เจอคำตอบเลยปัญหานี้มีความสุ ข, ขุมลุ่มลึกเกินกว่าที่พวกกับผมจะตอบได้ขอท่านอาจารย์ช่วยเฉลยให้ฟังด้วยเถิดบริษัทได้สั่งสอนเป็นการข่มมาให้ลูกศิษย์ เป็นคนมากยูยทิฐิว่าพวกเธอแม้เป็นคนโง่ก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่พวกเธอมีหลายหัวถ้าจะหาผู้มีปัญญาไม่ได้สักคนจากนั้นก็ได้อธิบายฟังว่าสัตว์โลกเกิดมาแล้วย่อมถูกความแก่ชาราครอบงำไม่เห็นคลายทั้งสิ้นการเวลาได้กลื่อนกินชีวิตสรรพสัตว และตัวของมันเองส่วนความหมายที่ว่าผู้กินการนั้นหมายถึงพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วที่ท่านมีชีวิตยอยู่เหนือกาลเวลาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกภู ม, มานบท่านได้ฟังคำตอบอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ได้พร้อมใจกันขอคามาที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินและนับแต่นั้นมามานพทั้งหมด ก็เป็นคนว่า ง, ง่ายอยู่ในวอาวาไม่คิดลบหลวอาจารย์อีกต่อไปข้อคิดย่ยๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือการจะเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญาบา ร, รมีและประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นอย่าคิดตีเสมอท่านอย่าอาวดรู้กว่าครูบาอาจารย์เพราะสิ่งที่เรารู้เห็นนั้นมีเพียงน้อยนิด สิ่งที่เรายังไม่รู้นะ่ะยังมีอยู่อีกมากมายเราควรทำตัวให้เป็นสิทธิ์ที่ดีมีคุณธรรมอนน้อมถ่อมตนเอาไว้แล้วเราจะได้ความรู้ที่ดีๆจากครูบาอาจารย์เราต้องเป็นบัณฑิตที่มากด้วยความเคารพและความจเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา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 มีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นญาติกัละยาณมิตรของโลกให้คราบครัวอยู่เย็นเมโซเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายเร็วพลันจองทุกท่านเถินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอันโวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุข